มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกนับตั้งแต่ความรู้สึกไม่พอใจเช่นรู้รู้อยู่ว่าถ้าพูดหมดเปลือกเมื่อไรก็มองหน้ากันไม่ติดเมื่อนั้นหรือแม้กระทั่งความรู้สึกพอใจก็ต้องเรนไว้เช่นรู้รู้อยู่ว่าถ้าเผยใจเมื่อไรก็บาดเจ็บหลายฝ่ายเมื่อนั้นคนคนหนึ่ง ไม่สามารถกำหนดให้ตัวเองรู้สึกอย่างไรกับใครรู้สึกแค่ไหนให้เหมาะให้ถูกต้องรู้สึกคือรู้สึกไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกทุกความรู้สึกถือว่าถูกตามเหตุปัจจัยเสมอแต่ถ้าจะผิดก็คือการแสดงออกหรือพฤติกรรมที่ล้ำเส้นศีลธรรมต่างหากการพยายามถอนรากถอนโคนความรู้สึกนอกจากทำไม่ได้จริง ยังจะยิ่งตอกย้ำให้ความรู้สึกแน่นขึ้นทางที่เป็นไปได้จริงคือแปลความรู้สึกไปทีละน้อยนับหนึ่งเริ่มต้นจักฐานความรู้สึกเดิมที่มีอยู่จริงปั่นป่วนแค่ไหนให้ยอมรับไปแค่นั้นการยอมรับไปเท่าที่ความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าร่างกายต้องแล่นตามมันไปแต่หมายความว่า สติของเราจะเกิดตามมันทันสติแบบพุทธเริ่มจากเครื่องกั้นความเลวร้ายแม้โลกประเคนสิ่งเลวร้ายเข้าใส่แต่คุณตัดสินใจไม่ออกจากเขตของศีลที่ใดมีสติที่นั้นมีการพิจารณาอันเป็นธรรมได้ค่อยค่อยคิดค่อยค่อยเล็งเข้าไปที่อารมณ์ความรู้สึกนั้นว่า เป็นทุกข์หรือเป็นสุขทรมานหรือสบายดีรู้สึกว่าแย่หรือรู้สึกว่ายอดจะเกิดอาการตาสว่างจิตจะค่อยๆถอนออกไปเองธรรมดาเมื่อสติเกิดขึ้นรู้กายใจภาวะทางใจจะปรากฏเป็นของอื่นเป็นของถูกมองดูไม่ใช่ของที่ครอบงำคุณได้พูดง่ายๆ ถ้าคุณถูกยกระดับสูงขึ้นเหนือการครอบงำแม้คุณอาจจะต้องยังรู้สึกแย่ๆคิดแย่ๆต่อไปแต่อย่างน้อยความคิดและความรู้สึกมืดๆเหล่านั้นก็จะเกาะจิตไม่ติดพระพุทธเจ้าให้ฝึกอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องกำกับสังเกตความไม่เที่ยงเช่นให้ดูไปว่าแต่ละลมหายใจอากุศลจิต เข้มข้นขึ้นหรือว่าเบาบางลงดูแบบยอมรับความจริงไปเรื่อยๆไม่ต้องกีเกณฑ์ให้เกิดอะไรขึ้นหากมาถูกทางจะรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นในไม่ช้าความรู้สึกปลอดโปรง่งหลังมีสติเห็นอกุศลจิตนั่นเองคือเครื่องหมายบอกว่ามหากุศลจิตเกิดขึ้นแทนอกุศลจิตแล้วนี่เป็นธรรมชาติธรรมดาสติ ที่เกิดขึ้นรู้อากุศลจิตย่อมเปลี่ยนจิตเป็นมหากุศลเสมอ